มีน้ำหนักนิดเดียวนะไร้ไฟเวทชก <c oughs> อะไรเฮฟวีเบทอะไรเงี้ยก็ตายตายคาที่ไม่ก็ชกสองทีก็ท้อใจแล้วโอ้สู้มันไม่ได้ชกก็ชกให้มันถูกคู่ชกนะแค่ชกกับสกายัตทิถนะิเป็นแชมป์โลกรุ่นไฟเวทนะสู้มันกว่าจชนะก็แย่แล้วนะงั้นไม่ต้องไปชกกับคนอื่นชกกับสกายทิฐีไว้สกายทิฐิคือความเห็นผิด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 คือความรู้ความเข้าใจของเราเองต่างหากที่ไม่เหมือนกันตรวจกันบ้านพวกอยู่วัดใครมาก่อนเชิญวันนี้ก็มีกดฎอยู่ครับแต่มันก็เบาแล้วก็มีฟุ้งซ่านใจไม่ตั้งมั่นนะรู้ไปใจมีความสุขมากกว่าเมื่อวานค่ะแต่ว่ามันไปประคองะอะอย่าไปประคองนะ